ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาสัมปันโนเสนอตอนที่14หลวงปู่มั่นกับพระอาจารย์เกียตตาไก่ป่าวัดของหลวงปู่มั่นและหลวงปู่มั่นถ่ายภาพครั้งแรก หลงตามมหาบัวยาสัมปันโนได้ให้โอว่าธรรมเอาไว้ว่าคำว่าธรรมมีความละเอียดอ่อนมากเกินกว่าจะ่าดจะหมายจะคิดจะค้นจะเดาใดๆทันสิ้นถ้าจิตไม่ไปสัมผัสเองจะไม่รู้ว่าธรรมคืออะไรเลยนับแต่สมาธิธรรมซึ่งเป็นธรรมขั้นพื้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงธรรมขั้นวิมุติหลุดพ้นเป็นความละเอียดละออเข้าไปโดยลาดับลาดา ตามขั้นของตนของตนคำว่าโลกกับธรรมนี้คือจอมปราดผู้รู้รอบขอบชิดในธรรมทั้งหลายอย่างประจักษ์และสมบูรณ์เต็มที่ในพระไตรคือพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์พระองค์แล้วจึงได้นามว่าธรรมอันเป็นคู่เคียงของโลกธรร ม, มะมีอยู่กับทุกคนจำเป็นอะไรจะต้องไปดูแต่ในแบบแผนตำรับตารายอย่างเดียวเท่านั้น ธรรมมีอยู่ทั่วไปความจริงมีอยู่ทั่วไปกิเลสมีอยู่ทั่วไปทําให้เกิดมันก็เกิดได้ทั้งนั้นไม่ต้องไปดูตํารากิเลสก็เกิดไม่ต้องไปดูตําราธรรมะก็เกิดถ้าพิจารณาให้ถูกในแง่ของธรรมพิจารณาให้เป็นไปในแง่ของกิเลสไม่ต้องดูตําราก็เกิดกิเลสธรรมเป็นของจริงที่ปรากฏขึ้นในดวงจิตนี้มันมากยิ่งกว่าเป็นไหนไหน แต่คะแนงออกไปไม่มีสิ้นสุดเมื่อไรอันนี้พระคันธารจนาจารย์ท่านก็จดจำเรื่ไว้อย่างนั้นพอประมาณตามกำลังของท่านและตามกำลังของผู้ที่จดจาเท่านั้นว่า8ป0 0 0พันพระธรรมขันธ์ความรู้อันเป็นของจริงที่เกิดขึ้นในใจมันมีกําหนดเมื่อไรไม่มีแต่คะแนงกันออกไปไม่มีขอบเขต พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวยันสัมปันโนได้เล่าประวัติของท่านในขณะอยู่กับหลวงปู่มั่นผูริทตะเทระและขณะนั้นท่านพระอาจารย์เกียจยุนโดก็ได้จำพรรษาอยู่ด้วยไว้ว่าท่านอาจารย์เกียจกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มัน่นท่านเป็นเหมือนพ่อกับแม่กับลูกนะท่านทั้งสองถึงสนิทกันเอานักเอานาขณะที่เราไปถึงวัดบ้านโคกใหม่ๆเรากําลังเดินจงกลมอยู่ในป่า ท่านเย็บผ้าอยู่สององค์ท่านอาจารย์เกียกับท่านพระอาจารย์มั่นนั่นแหละเย็บผ้าท่านปะท่านชุนผ้าเช็ดมือท่านประหยัดมากท่านไม่ลืมเนื้อลืมตัวนี้เย็บผ้าไปเย็บผ้ามาฟังเสียงดังบงเบงบงเบงขึ้นเอาแล้วทีนี้อะไรนะเราก็ไปอยู่ใหม่ๆเสียงดังลั่นสลาหลังเล็กๆเนี่ยแต่ว่าเสียงมันไม่เล็กละสิเสียงลั่นกระเทือนไปหมดเรายืนฟังอยู่ที่โน่น หากได้ยินไม่ได้สับไม่ได้แสงยืนไปยืนมาเลยตัวสั่นโดยไม่รู้ตัวตัวสั่นอยู่ในป่านมนหนะดูสินะมันเป็นบ้าอยู่ในป่าคนเดียวท่านพระอาจารย์มัน่นท่านไม่ได้ดุเราเรายังเป็นบ้าไปได้กลัวท่านไปได้คราวนี้พอเงียบเสียงไปสักครู่หนึ่งเราก็ออกมาพอขึ้นไปท่านกำลังเลิกเลิกเย็บผ้าเย็บอะไรต่อไม่อะไร กำลังเลิกกันประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าพอเก็บของอะไรลงมาท่านดุอะไรตะกี้นี้ท่านดุใครเราถามท่านอาจารย์เจี้ยขึ้นกระดุกผมละสี่ท่านท่านอาจารย์เจี้ยตอบและทําไมท่านถึงดุเสียงดังขนาดนั้นก็ผมเย็บผ้าผิดนี่ท่านจึงดุเอาท่านพูดดีนะอาจารย์เจี้ยท่านพูดตรงไปตรงมาคําหน้ากับคําหลังตรงกันไปหมดเราสังเกต ด, ดูเราไปอยู่ใหมห่ๆ ท่านอยู่ก่อนเราแล้วนี่นะท่านอาจารย์เกียอะไรก็ตามเ อ, อ, อะไรอะไรดูอาจารย์เกียร์นี้ก่อนทางอาจารย์เกียรก็ไม่ถอยนี่ซัดกันเลยซับทีไรอาจารย์เกียร์หน้าผากแตกทุกทีสู้ท่านพระอาจารย์มั่นไม่ได้ก็ท่านพระอาจารย์ท่านเป็นคนฉลาดแหลมคมเอามากในสมัยปัจจุบันใครจะเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นไม่มี หลวงตามหาบุวยนณสัมปันโนรือเล่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้ทำให้เราคิดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนละเหมือนว่าเทพเทวดาคอยแทรกแซงอยู่ตลอดคอยรับทราบความเคลื่อนไหวของท่านอย่างไปอยู่กับท่านทีแรกผ่านวันวิสาขาบูชาแล้วเราก็ไปทีนี้วันเข้าพรรษาในปีพุทธศักราช2485นั้น ผ้าก็หายากสงครามญี่ปุ่นกำลังเริ่มพวกผ้าก็ไม่มีอดอยากลาบากแค้นในปีนั้นมีพระก้ารูปเนนสองรูปอยู่จำพรรษาบ้านคคกมนด้วยกันเป็นปีแรกที่เราจะพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นภูริสัตเทระเวลาฉันจังหันเสร็จแล้วท่านก็จะแจกผ้าผ้านี้มีไม่ครบพระดูเหมือนขาดอยู่พื้นเดียวท่านก็เลยไปคว้าเอาของท่านมาเพราะ พระเอาผ้าอาบน้ำเอาไปวางไว้ในห้องท่านท่านพระอาจารย์กองมาซึ่งอยู่ในที่นั้นก็พูดขึ้นว่าอันนั้นก็สําหรับแจกท่านพระอาจารย์ต่างหากนี่เอามาทําไมขาดก็ขาดไปสิจะเป็นอะไรไปขอให้ครูบาอาจารย์ได้เถอะองค์ไหนก็เป็นที่พอใจท่านอาจารย์กองมาท่านเป็นคนตรงไปตรงมาพูดอาิฐารมากนะเพราะแม่ครูจารย์มั่นท่านก็พูดในเหตุมีผลนี่นาะท่านพูดว่าโอ้ย เรามันเป็นผู้ใหญ่เมื่อไรก็ได้ผู้ใหญ่ได้อยู่เรื่อยๆอะไรอะไรก็ได้ใครเอามาเอามาก็ให้แต่ผู้ใหญ่เองแหละเอาละบุญมีหากได้เองแหละท่านว่าอย่างนี้ท่านพระอาจารย์มัน่นท่านพูดขึ้นคําพูดนี้เราก็จับกุ๊บไม่เลยในใจท่านพูดว่าบุญมีหากได้เองแหละในตอนค่าของวันนั้นนั่นเองนิยมขี้ยาคนหนึ่ง แตไปจังหวัดสกลนครมาแล้วพวกบริษัทแม่นุ่มชุวานนนี่เขก็ฝากผ้ามาโดยเสียค่าจ้างให้เพราะคนขี้ยาไม่จ้างมันแล้วจะให้ส่งถึงไหนมันก็ส่งได้ขอให้ได้กินยาฝิ่นเท่านั้นก็เป็นที่พอใจแม่ของคุณโยมแม่นุ่นเป็นโยมอุปถักต์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสาวและพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นมาตั้งแต่ดั้งเดิมท่านเหล่านั้นเป็นคนสําคัญที่อาราธนานี้มนท่าน มาสร้างวัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครพวกนั้นเขาก็าคาดคะเนเอาเลยเพราะถามใครก็พูดอย่างงูๆูปลาปลาว่ามี9้าองค์หรือสิบองค์เขาหาผ้าขาวได้เทศไม่ใช่ผ้าขาวได้บ้านที่เราทอนะเป็นได้ดิบอย่างดีเนื้อมันก็แน่นเท่ากันได้จากจังหวัดสกลนครสิบเืนนะขังให้ค่าจ้างอย่างแพงด้วยโอ๊ยถ้าลงให้ค่าจ้างแพงๆมากกว่านั้น มันจะสภายได้ไอคนขี่หยานี่จนกระทั่งค่ำไปถึงวัดโหหนักไม่ใช่เล่นนะผาตั้ง11บ็ผืนจากจังหวัดสกลนครมาหาบ้านโคกระยะทางตั้ง23กิโลเมตรก็เหมือนว่ากับเทวดาบรรดาลเหมือนกันนะแปลกอยู่มากทีเดียวหลายอย่างเราไม่เอามาพูดมากหรอกเอาแต่ว่าเทพบรรดบุบรรดาลเทพเนรมิตแค่นี้ก็พอแล้วแหละเรื่องเหล่านี้เคยมีมาดั้งเดิม ไม่ใช่มีมาเมื่อวานนี้หรือวานสืบ น, นี้หลูงตามหาบูยญนสัมปันโนสิทธิผู้ใกล้ชิดท่านพระจารย์มั่นภูริทรัตเถระได้กล่าวถึงลักษณะ น, นิสัยและเสียงของท่านพระจารย์มั่นว่าเหมือนเสียงไก่ปากท่านได้เล่าเอาไว้น่าฟังมากว่าเพราะแม่ครูจารย์มั่นเสียงท่านกังวานมากนะพูดดัง เสียงก็รู้สึกว่าไพเราะด้วยน้ำเสียงของท่านก็ไพเราะด้วยยิ่งเวลากลางคืนท่านเทศท่านแสดงธรรมฟังแล้วเสียงเหมือนฟ้าดินถล่มตีกิเลสให้พระหมุนติ้วติ้วติ้วท่านถอดออกมาจากหัวใจท่านโดยแท้โดยแท้ร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นตเวลาท่านแสดงนี้ฟังเพลินลืมเรื่องเบี่ยงเบีลาเวลาท่านเทศจบลงแล้วยังเสียดาย ยังอยากฟังต่อไปอีกไม่เบื่อเสียงกังวานพูดนี้กังวานรูปร่างท่านก็ไม่ใหญ่โตอะไรแต่อํานาจธรรมของท่านละสิใหญ่โตมากทีเดียวท่านเทศแต่ละครั้งสถึงสี่ชั่วโมงครั้งต่อมาก็ค่อยลดลงลดลงมาอยู่แค่สองชั่วโมงจากนั้นมาท่านก็ไม่แสดงธรรมอีกเลยพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูจานมัน่นพูดเท่าไหร่มันไม่อิ่มไม่พอนะ มันพูดด้วยความภูมิใจพูดด้วยความรักด้วยความเคารพเลื่อมใสทุกอย่างอยู่ในองค์ท่านหมดเลยชีวิตจิตใจของเราอยู่กับท่านหมดยกบุญยกคุณขึ้นเทิดบนศรีรษะเลยเชียวในตาของท่านพระอาจารย์มั่นท่านดีมากต้องขออภัยนะจะเป็นการเหยีบย่ามันก็ไม่ใช่เราเอาเป็นข้อเทียบเฉยๆตาของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นตาไก่ป่าคือตาดี ตาเกยป่ารวดเร็วเสียงกังวานเสียงท่านพร้อมตาท่านพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างลุมตามหาบัวยันสัมปันโนในเล่าถึงวัดของท่านพระจารย์มั่นภูริทัตถิระเอาไว้ว่าวัดของพ่อแม่ครูจารย์มั่นนี้ญาติโยมไปยุ่งไม่ได้นะท่านไม่ให้ยุ่งเลยมีแต่พระล้นล้วนใครมาท่านก็ขนาบเอาหลงทิศหลงแดนไปเลย ท่านไลแ่แตกเือแต่คือเลยว่ามาอะไรญาติโยมพวกนี้นี่มันวัดของพระไม่ใช่วัดของโยมนะอย่ามายุ่งนะเอาล่ะนะไปเถอะนั่นล่ละท่านรักษาความสงบเหมือนรักษาทำนน้ำให้ใสสะอาดตลอดเวลาใครผู้ต้องการอัจต้องการทำเข้าไปอาบดื่มใช้สอยได้เต็มหัวใจกลับไปบ้านไม่ใช่ไปแล้วโอ้เป็นอย่างนี้โอ้เป็นอย่างนั้น ก็เรื่องที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันมีหนี้ได้กําชับกําชาระมัดระวังกันเราได้ไปอาศัยอยู่กับพ่อแม่ครูจา์มั่นตั้งแต่วันไปอยู่จนถึงวันท่านมรณภาพลงท่านไม่ให้โยมเข้าไปยุ่งกับท่านได้ถึงเข้าไปหาท่านท่านก็ไม่เอาจริงๆไม่ไปถึงแหละไปก็ไปแบบภาพพับไว้แหละเข้าไปหาท่านนั่นละอานาจของธรรมเห็นไม่ล่าของผู้รักษ า, าศาสนา รักษาดีอยู่อย่างนั้นใครจะไปจุ้นจ้านได้เมื่อไรหลวงตามหาบุวญาณสัมปันโนทายาทธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตถระได้กล่าวถึงท่านพระอาจารย์มั่นได้ถ่ายภาพไว้ครั้งแรกเอาไว้ว่าเรารู้นิสัยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นอยู่แล้วเพราะท่านไม่ยุ่งกับใครนี่นาะท่านไปด้วยความจําเป็นจริงๆวันนั้นเป็นวันเผาศพของหลวงปู่เสากันตัศีระวันนั้นท่านจะออก เราก็กะเอาไว้แล้วเราก็ไปรอรับท่านพอเราไปถึงบ้านน้รรํากำแถวนี้สามแยกน้กรรํากำนี่พระท่านพนมนี้ไปอุบล น, นี้มาทางอาเภอนาแจเรามาพักอยู่วัดป่าสามแยกนี้เราถามโยมเขาทราบว่าท่านมาเมื่อวานนี้พองานศพลงปู่เสากันตรศีราเสรยจลงแล้ววันนี้วันหลังท่านก็ออกมาเลยท่านไปพักวัดอ้อมแจ้ว พอเราทราบเราก็ไปนิมนต์ท่านมากราบเรียนท่านว่าสถานที่นี้มันไม่สะดวกสบายสู้สถานที่ที่ผมพักอยู่ไม่ได้ที่นั้นมันเป็นวัดป่าเหมาะสมดีเหลือเกินท่านก็ว่าเอออย่างนั้นเหรอทางนั้นก็ไปสิพักอยู่กับท่านในที่นั้นสองคืนกินทุดงเดินต่อไปเรื่อยๆจากนั้นท่านก็เป็นไข้หวัดใหญ่มาจากอุบลเดินมาจากทางพระทัศนพนม มานี้ประมาณเจ็ถึงแกิโลเห็นจะได้นะจากวัดอ้อมแจ้วนี้พระทาตพนมอยู่ทางโ น, น้นวัดอ้อมแจ้วอยู่อีกทางเป็นวัดท่านพระอาจารย์สาวเป็นผู้สร้างเอาไว้นะออกจากนั้นมาก็มาพักอยู่บ้านฝั่งแดงถ่ายรูปท่านั่งท่า ย, ยืนที่วัดฝั่งแดงนี้เองที่มีต้นไม้อยู่ข้างหลังท่านท่านอนุโลมให้ลูกศิษย์ของท่านพวกท่าน พ, พนมมาถ่ายภาพยมพังอยู่ กับโยมตากลูกชายโยมสีเพ่งลูกสาวมาจังหันถวายท่านแล้วก็มาขอถ่ายรูปกับท่านท่านอนุโลมให้เพราะเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ท่านอนุโลมให้ทั้งท่ายืนและท่านั่งเพราะฉะนั้นเราถึงรู้ว่าท่านถ่ายรูปที่วัดป่าสุทาวาสพจนหนึ่งขึ้นนั่งบนธรรมาทิรแล้วก็ถ่ายที่นี่อีกพจหนึ่งจากนั้นก็ไม่เห็นมีอีกเลย